พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ส2องพระสูตรที่8ปสันเลขดสูตรสูตรว่าด้วยการขัดเกลากิเลสพระผู้มีพระภาคประทับนาเชตวนารามพระมหาจุนทะเข้าไปเฝ้ากราบทูลถามปัญหาเรื่องการละการสละทิฏฐิที่ประกอบด้วยอัตวาทะคือวาทะเกี่ยวกับตนโลกวาทะวาท ะ, าทะเกี่ยวกับโลก วาทะเกี่ยวกับตนเช่นเห็นรูปเป็นตนวาทะเกี่ยวกับโลกเช่นเห็นว่าตนและโลกเที่ยงเป็นตน้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเมื่อเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงว่าทิฏฐินั้นๆไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราก็จะละสละทิฏฐิเหล่านั้นได้ ต่อไปว่าภิกษุเข้ารูปฌานคือฌานมีรูปเป็นอารมณ์เมื่อเข้าฌานทั้งสี่แต่ละอย่างแล้วนึกว่าเราอยู่ได้การขัดเกลาวดังนี้ก็ยังไม่เรียกว่าเป็นการขัดเกล้าในอริยวินยัยเรียกได้แต่ว่าธรรมะเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันแล้วตรัสว่าภิกษุเข้าอรูปฌาน คือฌานมีสิ่งไม่ใช่รูปเป็นอารมณ์แล้วนึกว่าเราอยู่ได้การขัดเกลาวดังนี้ก็ยังไม่เรียกว่าเป็นการขัดเกล้าในอริยวินัยเรียกได้แต่ว่าธรรมะเป็นเครื่องอยู่อันสงบระงับตรัสสอนให้ทำการขัดเกลา ว, ว่าคนอื่นเขาทำความชั่วเราจะทำความดีส่งแสดงการเบียดเบียนและอกุศลกรรมบทสิบ มีค่าสัตว์เป็นต้นมีความเห็นผิดเป็นที่สุดและทรงแสดงเรื่องมิช ต, ตะสิบคือความผิดมีความเห็นผิดเป็นต้นมีความหลุดพ้นผิดเป็นที่สุดและทรงแสดงโทษอื่นอื่นอีกเช่นอุปกิเลสเป็นฝ่ายชั่วตรงกันข้ามเป็นฝ่ายดีรวมฝ่ายละสี่สิบสีข้อตรัสสอนว่าเพียงแต่คิดในกุศ ล, ลธรรม ก็ยังมีอุปการะมากจึงไม่ต้องกล่าวถึงการลงมือด้วยธรรมกายและวาจาฉะนั้นจึงควรคิดว่าคนอื่นเขาเบียดเบียนเราจะไม่เบียดเบียนเป็นต้นตรัสว่าเปรียบเหมือนพึงมีทางเรียบอีกทางหนึ่งเพื่อเลี่ยงทางไม่เรียบพึงมีท่าน้ำที่เรียบอีกท่าหนึ่งเพื่อเลี่ยงท่าน้ำที่ไม่เรียบ การทำความดีเช่นการไม่เบียดเบียนก็ เ, เพื่อเลี่ยงความชั่วเช่นการเบียดเบียนตรัสว่าอากุศลธรรมทั้งหมดมีการเบียดเบียนเป็นต้นมีความตกต่ำเป็นที่ไปกุศลธรรมทั้งหมดมีการไม่เบียดเบียนเป็นต้นมีความสูงขึ้นเป็นที่ไปตรัสว่าคนที่จมลงไปในลม จะอุ้มคนที่จมลงไปในลมด้วยกันขึ้นมาได้นั้นไม่ใช่ฐานะที่มีได้คนที่ไม่จมจึงอุ้มคนที่จมขึ้นมาได้คนที่ไม่ฝึกไม่หัดไม่ดับเย็นด้วยตนเองจะฝึกจะหัดจะทำให้คนอื่นดับเย็นไม่ใช่ฐานะที่มีได้คนที่ฝึกหัดดับเย็นด้วยตนเองจึงฝึกหัดทำให้คนอื่นดับเย็นได้ และส่งแจกรายละเอียดว่าความไม่เบียดเบียนจึงเป็นไปเพื่อดับเย็นหรือปรินิพานของผู้เบียดเบียนเป็นต้นคำสรุปท้ายพระสูตรนี้คือบท44สนธิ5เรียกว่าสันเลขสูตรลึกซึ้งเหมือนสาคอนําว่าบท44คือความชั่ว44อย่างตรงกันข้ามกับความดี44อย่าง สนทิหคือที่ต่อห้าแห่งได้แก่เงื่อนไขหประการพึงนับจากที่ย่อไว้ข้อสี่มาถึงข้อ8ก็จะเห็นเงื่อนไขหรือสนทิห้า